วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หกมีนาคมพุทธศักราช2564เป็นวันพระวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้ศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีจิจตศรัทธาในเรื่องของบุญ เรื่องของกุศลเรื่องของบารนีได้หยุดการทํางานหนึ่งวันเพื่อที่จะได้เอาเวลามาเติมบุญบารมีกันเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนจิตใจให้ไปสู่ที่สุดที่เจริญที่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง จิตใจก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์ที่จำเป็นที่จะต้องจอดแวะตามสถานีบริการอยู่เรื่อยๆเพื่อเติมน้ำมันชนิดต่างๆเ mm hmm. ติมน้ำมันรถยนต์เติมน้ำมันเครื่องเ mm hmm. ติมน้ำมันเบรกเติมน้ำเติมน้ำเพื่อระบายความร้อนเติมน้ำกลั่นคลากับแบตเตอรี่ มันต้องมีการเติมอยู่เรื่อยๆรถยนต์ถึงสามารถที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วถ้าไม่ได้คอยวะเติมน้ำต่างๆให้กับรถยนต์รถยนต์ก็อาจจะเสียกลางทางได้ แล้วก็จะไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้ <c oughs> ต้องเสียเวลาให้รถเา้าให้ช่างเขามาลากรถเขา้าซ่อมอ <c oughs> าจะซ่อมเสร็จก็เสียเวลาไป <c oughs> แต่ถ้าไม่ประมาทคอยแวาเติมน้ำมันอยู่เรื่อยเวลาผ่านสถานีบริการถ้าเห็นว่าควรที่จะเติมอะไรก็ รีบแตมเสียเพราะว่าข้างหน้าไม่รู้ว่าจะมีสถานีบริการอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล <c oughs> การเติมบุญบา ร, รมีก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ชีวิตของเราข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา มีการอยู่ในวันนี้ที่เราทํากันอยู่ในวัน น, น, น, น, นี้อาจจะไม่มีในวันข้างหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทตอนนี้มีเวลาที่จะแบ่งมาเติมบุญบา ร, รมีให้แก่จิตใจก็ควรที่จะแบ่งปันเวลามากันเพราะบุญบา ร, รมีนี้มีความสําคัญ ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่เราแสวงหากันในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงแม้ว่าเราจะหาว่าได้มากได้น้อยเพียงไรก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นเครื่องผลักดนันจิตใจของเรา ใ, <ช>ให้ไปสู่ที่สุขที่จเจริญได้ มันเพียงแต่เป็นเครื่องอยู่ชั่วคราวให้เราได้มีความสนุกมีความเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งแต่เวลาที่เจอความทุกข์ต่างๆที่มันพัดเข้ามาสู่จิตใจของเราสิ่งต่างๆที่เราหากันในโลกนี้เช่นราบยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายจะไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ที่เข้ามาคุกคามจิตใจของเราได้เลยมีแต่บุญบา ร, รมีที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรามาเติมกันอยู่เรื่อยๆนี้เท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆที่เข้ามาคุกคาม จิตใจของพวกเราหรือป้องกันไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราได้เลย <Yeah. S 1> นั้นบุญบารมีนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีในโลกนี้เพราะเป็นของที่เอาติดตัวไปกับเราได้ด้วย yeah. <Yeah. S 1> เหล่านี้ไม่ใช่ร่างกาย <Yeah. S 1> เรา คือจิตใจผู้รู้ผู้คิดที่มาเกาะติดกับร่างกายชั่วคราวเกาะตอนที่มีการมีการเจริญเติบโตในคันของมารดาเวลามีการปฏิสนธิดวงวิญญาณคือจิตใจของพวกเราผู้รู้ผู้คิดนี้ที่ปราศจากร่างกาย เพราะร่างกายของเก่านั้นได้ตายไปแล้วจิตใจก็เลยต้องเป็นดวงวิญญาณที่ไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้แล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอไ ด, ได้ร่างกายอันใหม่ก็จะไปใช้ร่างกายอันใหม่เวลาที่ร่างกายอันใหม่นี้คลอดออกมาจากท้องมารดา เมื่อจเจรินเติบโตแล้วก็ใช้ร่างกายนี้ไปหาอะไรต่างๆสุดแท้แต่ภูมิความรู้ของของตนว่ามีความรู้ทางไหนถ้ามีความรู้ทางโลกก็จะไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้ามีความรู้ทางธรรมก็จะไปหา บุญบารมีเพื่อมาเสริมความสุขให้แก่จิตใจของแต่ละคนนี้เราจึงมีการแสวงหาสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันทั้งๆที่สิ่งที่เราต้องการนั้นเหมือนกันก็คือความสุขใจความแข้าคาดปลอดภัยจากทุกภัยต่างๆ แต่วิธีการหาความสุขนั้นวิธีการกำจัดความถุกความทุกนั้นมันต่างกันต่างกันที่ภูมิปัญญาที่พวกเราได้สะสมมาในอดีตตชาติถ้าเราเคยสะสมภูมิปัญญาด้วยการหาราบยศสารเสริญสุขเวลาเรามาเกิดในโลกนี้เราก็จะมาหา ลาบยศสารเสนสุขกันถ้าเรามีภูมิปัญญาที่สอนให้เราหาความสุขด้วยการสร้างบุญบา ร, รมีเวลาเรามาเกิดในชาตินี้เราก็จะมาสร้างบุญบา ร, รมีกันอันนี้เป็นของที่ติดตัมากับจิตใจของพวกเราพวกเราจึง มีการหาความสุขด้วยวิธีการที่แตกต่างกันดับความทุกข์ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันเพราะอาดีตของเรานั้นมีความแตกต่างกันเราเคยทำอย่างไรพอเรามาเกิดในภพนี้ชาตินี้เราก็จะทำอย่างนั้นต่อแต่ก็ มีโอกาสที่จะสามารถเปลี่ยนวิธีได้ถ้าเราเห็นว่าวิธีการหาความสุขและกำจัดความทุกข์ของเรานั้นมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเราจะเปลี่ยนได้อย่างไรก็อาจจะเปลี่ยนเพราะเราได้มาเรียนรู้ภูมิปัญญาอันใหม่ที่เราไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน เทีนทานถ้าเราเคยเคยสรรหาแสวงหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่เราก็มารู้สึกว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่หรือต้องประสบนี้มันยังมีมาอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราได้มาพบภูมิปัญญาอีกแบบหนึ่งคือภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ท่านมีภูมิปัญญาที่จะสอนให้เราหาความสุขอีกแบบหนึ่งการจัดความทุกข์อีกแบบหนึ่งก็คือวิธีการของการสร้างบุญสร้างบา ร, รมีต่างๆนี้เอง วิธีนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรง <c oughs> ปฏิบัติมาแล้วทรงค้นพบด้วยพระองค์เองและท่งได้ได้พิสูจน์เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้อง <c oughs> เป็นวิธีการที่จะเสริมความสุขให้กับจิตใจขึ้นไปตามลำดับจนถึงความสุขขั้นสูงสุดที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด และวิธีการที่จะลดความทุกข์ต่างๆที่เข้ามาภายในใจนี้ให้ลดน้อยถอยลงไปจนหมดสิ้นไปจากใจได้นี่ก็คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบวิธีของบุญบารมีต่างๆหลังจากที่ได้สรงพิสูจน์และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นวิธีที่ถูกต้อง วิธีที่จะทำให้เกิดความสุขที่สูงสุดแก่จิตใจและยั่งยืนถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดและการลดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้น้อยลงไปเรื่อยๆตามลำดับจนหมดสิ้นไปจากใจเมื่อพระองค์ได้ทรงพิสูจด้วยการ ปฏิบัติแล้วพระองค์ก็เลยนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังแสวงหาวิธีของการดับความทุกข์ใจต่างๆวิธีของการสร้างความสุขต่างๆว่าให้ทำอย่างไรวิธีที่ ที่พุทธเจ้าได้ส่งใช้และส่งนำมาสอนก็คือให้เรามาสร้างบุญบา ร, รมีกันนั่นเองบุญบา ร, รมีนี้จะทําให้จิตใจของเรามีความสุขแล้วก็จะทําให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้น้อยลงไปตามลําดับบุญบา ร, รมีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามเติมกันอยู่เรื่อยๆ สร้างกันอยู่เรื่อยๆก็คือหนึ่งเมตตาบารมีให้เรามีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงแล้วก็ให้เรามีทานบารมีสร้างทานบารมีด้วยการแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเองินทองที่เรามีเหลือเกินกว่าที่เราจะใช้ได้ แล้วก็ให้สร้างศีลบารมีได้เว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ให้สร้างเนค ข, ขมภ์บารมีให้เราละการหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเรียกว่าการออกจากกามสุขเรียกว่าเนค ข, ขมภ์บารมี เพื่อที่เราจะได้มาสร้างอุเบกขาบารมีด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาสมถภาวนาทำจิตใจให้สงบแล้วจะได้อุเบกขาบารมีแล้วก็จะสามารถให้เราสร้างบารมีขั้นสุดท้ายได้ก็คือปัญญาบารมีปัญญาบารมีคือความมีดวงตาเห็นธรรม เห็นความจริงเห็นสัจธรรมของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นอนัตตาเมื่อเห็นได้ด้วยปัญญาใจที่เคยทุกข์กับสิ่งต่างๆก็จะปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางได้ก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆต่อไปนี่คือ บารมีต่างๆที่เราสามารถที่จะมาบำเพ็ญกันได้ในวันพระวันพระนี่ก็ขอให้ทำความเข้าใจไว้ว่าความหมายของวันพระที่แท้จริงนี้คือเป็นวันหยุดการทำงานของเรานั่นเองถ้าเป็นวันพระแล้วแต่ ต, ตรงกับวันทำงานมันก็จะทำให้ยากต่อการที่เราจะมาวัด เพื่อมาบาเพ็ญบุญบา ร, รมีต่างๆแต่ถ้าเป็นวันพระที่ตรงกับวันหยุดของเรา <Yeah. S 1> เราก็สามารถที่จะมาวัดมาบาเพ็ญบุญบา ร, รมีต่างๆได้ <Yeah. S 1> สมัยก่อนวันพระเป็นวันหยุด <Yeah. S 1> แต่ในปัจจุบันนี้โลกเราได้เปลี่ยนไปมีการติดต่อกับต่างประเทศซึ่งวันหยุดของเขานี่ ไม่ได้ตรงกับวันพระเหมือนของเราเราเลยปรับเปลี่ยนวันหยุดการทำงานจากวันพระมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ตามทางสากลมันก็เลยทำให้เวลาที่ถึงวันพระที่ไม่ได้ตรงกับวันเสาร์วอาทิตย์เราก็จะไม่มีเวลาว่างที่จะมาเติมบุญบารมีได้ดังนั้น สิ่งที่เราควรที่จะทำเพื่อไม่ให้ขาดทุนคือให้เรามีวันพระทุกอาทิตย์ก็คือเราควรที่จะเลือกเอาวันหยุดทางานของเราวันใดวันหนึ่งนี้มาเป็นวันพระมาเป็นวันตามบุญบารมีอย่างวันนี้พอดีเป็นวันพระที่ตรงกับวันเสาร์แต่จะไม่ตรงกับวันเสาร์ทุกครั้งไปเดี๋ยวข่าวต่อไปก็จะเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ แล้วต่อไปวันพระก็จะเลื่อนไปเป็นวันจันทร์เป็นวันลังคารเพราะการนับวันพระนี้ตามจรรรันทรคติตามการโค จ, จรของดวงจันทร์ตามวันขึ้นแรมแปดค่ำสิบห้าค่ำซึ่งไม่ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ทุกครั้งไปดังนั้นถ้าเราอยากจะไม่ขาดทุน ถ้าเราอยากจะมีวันพระเพื่อเราที่จะได้เติมบุญบารมีอยู่เรื่อยๆ เ, เหมือนกับรถยนต์ที่จะต้องแวะจอดเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดวันที่เราจะแวะเติมน้ำมันนี้เป็นวันที่ไม่ตรงกับเวลาที่เราว่างถ้าเราไม่แวะเติมเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะหมดได้เห็น สมัยนี้เราจึงต้องมาปรับความเข้าใจกันใหม่ให้รู้ว่าความหมายของวันพระนี้เป็นอย่างไรวันพระนี้ความจริงก็เป็นวันหยุดทำงานทางโลกวันหยุดทำงานทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาเตาิมบุญบรารมีให้แก่จิตใจเพื่อที่จะได้สร้างความสุขให้กับใจและ กำจัดความทุกข์ต่างๆให้กับใจให้มันหมดไปได้อันนี้คือวันพระควรจะมีวันพระอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อที่เราจะได้แวะเติมบุญบรารมีต่างๆถ้าเราไม่มีวันพระเราก็จะขาดบุญบรารมีกันแล้วจิตใจของเราก็จะขาดความสุขกันหรือความสุขจะมีน้อยแล้วความทุกข์ก็จะมีมากขึ้น นี่คือความหมายของวันพระคือให้เราหยุดทำงานหนึ่งวันเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเติมบุญชนิดต่างๆได้ครบสมบูรณ์บุญบางอย่างนี้ทำได้วันไหนก็ทาได้เช่นบุญบา ร, รมีคือเมตตาบา ร, รมีนี้ทำได้ทุกวันทุกแห่งทุกคนคือการมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง คือการพบปะกับใครนี้ให้เราแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ไม่ได้อยู่ที่การสวดมนต์สวดบทแผ่เมตตาการสวดบทแผ่เมตตานี้ไม่ได้แผ่เมตตาเป็นเพียงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแผ่เมตตาว่าการแผ่เมตตานี้แผ่อย่างไรเนี่ย เห้เราสวดสัพเพศัตตาอเวลาโหตุสัตทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรกันเถิดอันนี้เป็นการสอนวิธีการแผ่เมตตาอย่าจองเวรจองกรรมกันอย่ามีเรื่องมีราวกันให้อภัยกันเอาโหสิกรรมอย่าไปมีเรื่องเพราะมันจะกลายให้ทำให้เกิดความทุกข์ความร้อนใจขึ้นมามากขึ้นไปตามลาดับ เราะว่าจะมีการตอบโต้กันจองเวะเราเขาว่าเราเราก็ว่าเขาพอเราไปว่าเขาแรงกว่าเขาว่าเราเขาก็มาทุบตีเรามันก็จะมีแต่การเพิ่มทวีคูณความรุนแรงของการทำร้ายกันแต่ถ้าเราให้อภัยเรายุติการตอบโต้แม้ว่าใคร็จะพูดอะไรทำอะไรร้ายกาจขนาดไหน มันก็ผ่านไปแล้วความเสียหายถ้าเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วาการที่ไปทำร้ายเขาก็ไม่ได้มาทำให้สิ่งที่เสียหายนี้ดีขึ้นมาได้แต่อย่างใดแต่กลับจะเพิ่มความเสียหายกลับมาอีกหลายเท่าด้วยกนันนั่นนี่คือบทแผ่เมตตามีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันอาเวลาโหนตุจงไม่เวียนเวียนกั น, นไปจงไม่มีเวรกัน ข้อที่สองอัยาปั ช, ชาโหนตุจงไม่เบียดเบียนกันคือเราจะทำอะไรอย่าไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน อ, อย่าไปทำให้เขาเสียหายทำอะไรต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อ อ, อย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาทุกข์เขาเดือดร้อนจากการการะทาของเราเรียกว่าการไม่เบียดเบียนกันแล้วข้อที่สาม นีคาโหนตุยงอย่ามีทุกกายทุกใจเถิดก็หมายถึงว่าเราอย่าไปทำร้ายร่างกายและจิตใจเขานั่นเองเวลาเรากโกรธเขาก็อย่าไปทุบตีเขาหรือกลั่นแกล้งเขาให้เขาเสียอกเสียใจให้เขาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะมันจะทำให้เขากโกรธเราเกลียดเร า, เรเราแล้วก็จะทำให้เขาทํากับเราเหมือนกับที่เราทากับเขานั่นเอง เราต้องอย่าไปกระทําอะไรที่ทําให้ผู้อื่นเขาทุกข์กายหรือทุกข์ใจ<ม>นะข้อที่สี่ของการแผ่เมตตาก็คือสุข<ม>ีอัตตานังปริหารันตุขอให้ทุกคนมีความสุข<ม>คือ ข, ขอให้เราให้ความสุขกับเขาจะให้เขามีความสุขได้เราก็ต้องให้ความสุขกับเขา<ม>เช่นวันเกิดเราให้อะไรเขาเราก็ให้ขนมเค้กเขาพอาให้ขนมเค้ก เ, เขาก็มีความสุข ให้ของขวัญเขาให้สิ่งที่เขาอยากได้พอให้เขาแล้วเขาก็จะมีความสุขอย่างนี้คือการแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ด้วยการสว ด, ดยาติโยส่วนใหญ่เข้าใจผิดกิดว่าเวลานั่งสวดสเปสตาเอาเวลาหงนตัวแล้วนีได้แผ่เมตตาแล้วตามจริงไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการทบทวนเป็นการ เ, าเตือน เตือนใจให้รู้จักวิธีที่แผ่เมตตาก<ม>ารแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำคือเวลาที่เราพบปะกันเกิด ม, มีอะไรมากระทบกันเกิด<ม>เขาพูดอะไรทำอะไรไม่ถูกใจเราเราพอเราโกรธขึ้นมาก็ต้องระงับความโกรธ<ม>อย่าไปมีเรื่องมีราวกับเขา<ม>ก็ให้ใช้เอาเวลาโหนตุ คือให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันถือว่าผ่านไปแล้วสิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปอย่าไปย้อนไปดึงเอามามันผ่านไปแล้วสิ่งที่เขาพูดมันก็ผ่านไปแล้วสิ่งที่เขาทำมันก็ทำเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกันจะดีกว่านะนี้คือเวลาถ้าต้องการมีเมตตาต้อง ต้องรู้จักให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมเวลาทำอะไรก็ต้องไม่ทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนออและเวลามีอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อือ่น แล้วถ้าอยากให้เขามีความสุขก็มีอะไรก็แบ่งปันให้กันมีข้าวของเงินทองมีอะไรก็ให้ได้หรือแม้แต่เพียงรอยยิ้มก็ทําให้คนอื่นก็มีความสุขได้ดีกว่าหน้าตาเบื้องตืงเฉยๆ น, นี่คือการการเจริญเมตตาบารมีอันนี้ทําได้ทุกวันไม่จําเป็นที่จะต้องรอมามาทําในวันพระ ควรจะทำทุกวันเวลาที่เราพบปะกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เนื้อสัตว์เดรัจฉานก็ตามให้เรามีสัพเพสัตตาสัพเพแปล ว, ว่าทั้งหลายทั้งปวงสัตตก็คือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัตว์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเช่นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่พวกกายทิพย์ทั้งหลายเขาก็มีชีวิตจิตใจ พวกเทวดาพวกเบตรพวกอะไรนี่เขาก็ต้องการความเมตตาเหมือนกันถ้าเรามีโอกาสได้พบกับใคร<ม>ก็ให้เราให้ความเมตตากับเขา<ม>แล้วเราจะได้รับประโยชน์จากการมีความเมตตา<ม>รู้สึกว่าจะมีอยู่สิบประการด้วยกันแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะจำได้ทั้งสิบหรือเปล่า ก็นหนึ่งก็คือจะอยู่เป็นสุขผู้ที่มีความเมตตานี้จะอยู่เป็นสุขเตือนก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขเวลานอนหลับจะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะคุ้มครองรักษาจะไม่ตายด้วยอาวุธวิยาพิษคือจะไม่มีคิดไม่มีผู้คิดทำร้ายเรา พราเราไม่ไปทําร้ายใครเราไม่ได้ไปทํ า, ใ, าทให้ใครเขาโกรธแค้นโกรธเคืองเราเรามีแต่ให้ความสุขกับเขาจะไม่มีใครคิดร้ายกับเราเนี่นเราจะไม่ตายด้วยอาวุธด้วยยาพิษต่างๆแล้วถ้าเราไปปฏิบัติธรรมไปทําจิตใจให้สงบจิตก็จะสงบง่ายแล้วถ้าเกิดเราตายไปเวลาตายก็ไม่หลง แล้วตายไปก็จะไปสู่สุคติหรือถ้าสูงกว่านั้นก็ไปสู่พระนิพพานอันนี้เป็นอนิสงส์ของการเติมเมตตาบามีซึ่งสามารถทำได้ทุกวันทุกที่ทุกสถานทุกกับบุคคลไม่ว่ากับคนใกล้ตัวเราหรือกับคนที่เราไม่รู้จักถ้าเรามี โอกาสที่จะต้องพบปะกันนพยายามให้ความเมตตาต่อกันความเมตตาก็คือการถือว่าเป็นมิตรกันนั่นเองไมตรีจิตมีไมตรีจิตกับทุกคนแม้แต่ศัตรูแม้แต่ผู้ที่เขาหวังร้ายกับเราก็ต้องให้ความเมตตากับเขาเพราะเราไม่ต้องการมีศัตรูกับใครแต่เราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเขาจะถือว่าเราเป็นศัตรูกับเขา เพราะในชีวิตนี้ก็อาจจะมีการกระทําอะไรที่อาจจะเหมือนกับการแข่งแย่งชิงดีกันก็เป็นเหมือนคู่แข่งขันกันเวลาเวลาคู่แข่งขันเขาได้ดิบได้ดีแล้วเราไม่ได้ดิบได้ดีเราก็อาจจะไปโกรธเขาก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้มาทําร้ายเราเขาไม่ได้มาเบียดเบียนเราแต่อย่างใดเขาก็ทําตามหน้าที่ที่ถูกต้องของเขาไปนั้น เวลาถ้าเขาจะมาโกรธแค้นโกรธเคืองเราเพราะว่าเขาไม่พอใจกับความเจริญก้าวหน้าของเหานี้เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องไปเกลียดเขาเราควรจะกลับมีความสงสารสงสารที่ว่าเขานี้ยังมีความอิจช้าหรือเสยียยังมีความไม่รู้ความจริงของความเจริญว่าอยู่ที่ตรงไหน เขายังไม่รู้ว่าความเจริญนี้อยู่ที่ความรู้ความสามารถของตนถ้าตอนอยังไม่เจริญก็แสดงว่ายังขาดความรู้ความสามารถอยู่แทนที่จะไปโกรธแค้นโกรธเคืองผู้อื่นมันไม่ได้ไปทําให้ความเจริญของเขาปรากฏขึ้นมาได้เขาควรที่ไปเสริมความรู้ความสามารถของตนให้มีมากขึ้นไปจะดีกว่านี่คือ ความสุขที่เราจะสามารถสร้างให้กับตัวเราได้ด้วยการมีความเมตตาแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองถึงจะสามารถแผ่เมตตาได้เงินทองก็เป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่เราจะสามารถแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นได้แต่ก็มีวิธีการอย่างอื่นที่เราสามารถแผ่ได้เช่นไม่เบียดเบียนกันนี่ทาอะไรก็อย่าไปให้คนอื่นเขาเดือดร้อน เช่เราจัดงานก็อย่าไปส่งเสียงดังจนเกินไปจนกระนั่งคนข้างบ้านเขานอนไม่หลับอย่างนี้ก็เป็นการไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่ น, นเวลาจะทาอะไรให้คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นเอาหัวอกเขามาใส่หัวอกเราถ้าเกิดเขาทำกับเราบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเรารู้สึกว่าไม่ชอบเราก็อย่าไปทำอย่างนั้นกับเขา แล้วเราจะได้ อ, อับอานิสงเวลานอนหลับจะฝันดีจะไม่ฝันร้ายเวลาตื่นก็มีความสุข mm hmm. จะมีคนรักคนชอบ mm hmm. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย mm hmm. จะมีเทวดาคุ้มครองรักษา mm hmm. ถ้าต้องการที่พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น mm hmm. ด้วยการไปเจริญจิตตภาวนาจิตก็จะสงบได้อย่างรวดเร็ว mm hmm. นี่คือบุญบารมีที่พระพุทธเจ้าท่งสอนให้เราหมั่นเติมกันอยู่เรื่อยๆข้อแรกก็คือเมตตาบารมีข้อที่สองก็คือทานบารมีทานก็แปลว่าการให้ให้สิ่งที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ให้แล้วเราไม่เดือดร้อนอย่าไปให้ในสิ่งที่ให้แล้วเราจะเดือดร้อนแล้วต้องไปทําไปรบกวนผู้อื่น เช่นถ้าเราไม่มีเงินทําบุญทําทานก็ไม่ต้องทําบุญทําทานเรามีอย่างอื่นให้เราก็ให้ได้เรามีเวลาว่างเราก็ไปเป็นอาสาสมัครช่วยกิจของสังคมได้เป็นจิตอาสาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการให้ให้เวลาให้กําลังกายการกระทําทางกายให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีทรัพย์มีเงินมีทองหรือถ้าเรามีวิชาความรู้เราก็สามารถเอาไปสอนผู้อื่นได้โดยที่ไม่คิดเงินคิดทองเรียกว่าเป็นวิทยาทานหรือถ้าเรามีความรู้ทางธรรมเราก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ก็เรียกว่าเป็นธรรมทานไปการทําทานนี้ จะทำให้จิตใจของเรานี้สูงขึ้นตอนนี้จิตใจของเราเป็นมนุษย์กันถ้าเราอยากจะให้จิตใจเราสูงขึ้นคือเป็นเทพเราจำเป็นที่จะต้องมีการให้ทานการให้ทานนี้จะยกระดับจิตใจจะทำให้จิตใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนั้น จะทำให้เกิดความสุขกลับมาสู่ใจของเรา mm hmm. การให้ทานนี้เราไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับ mm hmm. ผู้รับจะให้จากไม่เราไม่ต้องการอะไรจากผู้รับ mm hmm. ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผู้รับแต่ถ้าผู้รับมีความปรารถนาดีอยากจะตอบแทนไมตรีจิตของเราเราก็รับไว้ได้ mm hmm. แต่ไม่ได้รับเพราะว่า เป็นการตอบแทนเป็นการเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้ทําทานเหมือนกับเรา mm. เขาเปิดโอกาสให้เราทําทานกับเขา mm. เขาอยากจะทําทานกับเราเราก็รับไว้ได้อันนี้แต่โดยหลักแล้วเราไม่หวังผลตอบแทนจากการให้ของเราเพราะว่าการให้ของเราที่บริสุทธิ์นี้มันเกิดผลขึ้นมาทันทีภายในใจของเราคือทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมา แล้วก็จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่การเป็นเทวดาต่อไปเวลาตายไปเราจะมีบุญที่เกิดจากการทำทานนี้ติดตัวไปซึ่งเป็นเหมือนอาหารทิพที่เราจะสามารถเอาไปใช้ในโลกทิพได้เราจะไม่ต้องมารอรับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ที่ อยู่ในโลกนี้ถ้าเรามีบุญติดตัวไปถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำทานนั้นโอกาสที่เราจะมาขอรับส่วนบุญนี้มีอยู่เพราะเวลาเราตายไปเราไม่มีอาหารทิพติดตัวไปเราก็จะมีความหิวโหวยเราก็จะต้องมาขอส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้เขาช่วยทำบุญและอุทิศบุญไปให้กับเรานี่คือประโยชน์ของการทำทานทั้งปัจจุบันก็คือจิตใจเราจะมีความสุขเวลาทำบุญทำทานแต่ละครั้งนี้เราจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจเกิดจากการทำทานของเราแล้วเวลาเราตายไปเราก็จะมีอาหารทิพย์ คือบุญนี้ติดตัวกับเราไปทำให้เราอยู่แบบเศรษฐีในโลกทิพย์เนี่ยผู้ที่อยู่แบบเศรษฐีในโลกทิพย์ก็คือพวกเทวดาทั้งหลายนั่นเองเพราะเขาอยู่ด้วยความสุขเศรษฐีนี้เขาอยู่เขามีแต่ความสุขเขาไม่มีความทุกข์เพราะเขามีสิ่งต่างๆที่เขาต้องการอยู่ตลอดเวลานั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำทานเลยเราก็จะไม่มีบุญติดตัวไป เวลาไปเราก็จะไปมือเปล่ า, ปลาไปใจเ ป, เปล่าที่จะไม่มีอะไรให้กับเราได้เป็นที่พึ่งเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจของเราจิตใจของเราก็จะหิวโหวยได้นี่คือประโยชน์ของการทำทานการทาทานวิธีทำทานก็ทำด้วยมีอยู่สี วิธีด้วยการทําทานด้วยวัตถุเข้าของเงินทองเรียกว่าวัตถุทานทําด้วยวิชาความรู้เรียกว่าวิทยาทานทําด้วยการให้อภัยนี่ก็เรียกว่าอาภัยทานยกโทษให้กับผู้ที่เขาทําร้ายเราไม่ถือโทษโกรธเคืองก็เรียกว่าอาภัยทานวิธีสุดท้ายก็วิธีให้ธรรมะ ถ้าเรามีโอกาสได้ศึกษาธรรมและรู้ธรรมะถ้ามีใครเขาสนใจเราก็บอกเขาได้สอนเขาได้หรือถ้าเรามีหนังสือธรรมะได้รับหนังสือธรรมะดีๆจากครูบาอาจารย์ต่างๆถ้าเห็นใครเขามีความทุกข์ใจเดือดร้อนใจขาดธรรมะเราก็ให้หนังสือธรรมะกับ เ, เขาไปแต่เขาต้องยินดีรับ ถ้าเขาไม่ยินดีไม่อยากได้ก็ไม่ควรให้ไปเพราะจะเสียของเปลาๆให้ไปแล้วเขาก็ไม่อ่านอย่างนี้ก็อย่าไปให้ให้ในกรณีที่เขาอยากได้อันนี้ก็เป็นการทาทานที่เราสามารถเลือกทำได้ตามกำลังของเราไม่มีทรัพย์เราก็มีอย่างอื่นก็ทำได้ให้ให้วิชาความรู้ก็ได้ หรือให้เวลาไปทำงานด้วยกำลังกายของเราก็ได้ช่วยเหลือรับใช้สังคมด้วยวิธีการต่างๆแล้วจะยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นอยากมนุษย์ก็จะทำให้เราขึ้นไปเป็นเทวดากันตายไปเราก็จะไปเกิดเป็นเทวดา<ม>ก่อนที่เราจะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไป าการไปเป็นเทวดานี้ยังไม่สามารถทําให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นเพียงแต่การยกระดับจิตใจให้มีความสุขมากขึ้นในขณะที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนี้นี่คือบารมีข้อที่2องทานบารมีบารมีข้อที่ ส, สก็คือศีลบารมี ศีลบารมีก็คือการละเว้นจากการทำร้ายผู้อื่นเช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นละเว้นจากการประพฤติผิดตเวนีละเว้นจากการพูดปกหและละเว้นจากการดื่มของมึนเมาต่างๆสุรายามเมาเพราะจะทาให้ขาดสติ เมื่อขาดสติแล้วจะไม่สามารถควบคุมความคิดการพูดและการกระทำของเราได้เวลาคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะยับยั้งไม่ได้เวลาคนมึนเมาสังเกตดูเวลาคนเมานี้กับคนที่ไม่เมานี้คนคนเดียวกันแ ท, แท้แต่เป็นเหมือนคนละคนคนเวลาไม่เมานี้มีมารยาทดีเรียบร้อย พูดจาไพเราะเพราะพิง<ม>การกระทำอะไรก็เรียบร้อยดีงา ม, มแต่พอเกิดอาการมึนเมาขึ้นมานี้กลายเป็นอีกคนหนึ่งไป<ม>พูดวาจาก็หยากคาย<ม>การกระทำก็เละเทะ<ม>ดูแล้วไม่น่าเลื่อมสาศรัทธา<ม>นี่ละสาเหตุที่ทำให้ต้องไม่ให้ดื่มชรลายาเมาเพราะทำให้ไม่ ขาดสติที่จะมาคอยควบคุมการกระทําทางกายทางวาจาทางใจให้อยู่ในกรอบที่ดีงามที่ถูกต้องนั่นเองทําไมเราจึงต้องมารักษาศีลกันเพราะการรักษาศีล น, นี้ก็จะป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ทางใจนั่นเองเวลาเราไม่ทําบาปแล้วใจเราจะไม่ทุกข์แต่เวลาที่เราทําบาป เราจะรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมา ท, าทันทีไม่สบายใจขึ้นมา ท, าทันทีอันนี้ก็เป้าหมายก็คือป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นมาจากการกระทาบาปถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์นี้เราจะไม่รู้สึกทุกข์แต่พอเราไปเผชิฆ่าสัตว์ขึ้นมานี้ถึงแม้ไม่ตั้งใจบางทีเราก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วขับรถไปนี้รถสุนัขวิ่งมาก็ บาดหน้ามาขึ้นมาขวางหน้าแล้วก็ถู ก, ถ, กถูกรถชนไปนี้ถึงกับชีวิตไปนี้เราก็เสียอกเสียใจงันเทันทีทั้งทั้งที่เราไม่มีความตั้งใจแต่การกระทำแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการเป็นการกระทำบา ว่าการกระทำบาปนี้จะต้องเกิดจากการหนึ่งมีการเจตนาต้องมีความตั้งใจเช่นตั้งใจจะชนสุนัขตัวนี้เห็นมันเดินอยู่นี่ก็เลยขับรถพุ่งตรงไปเพื่อจะไปชนสุนัขด้วยความตั้งใจแล้วสุนัขนั้นก็ถึงแก่ความตายถึงจะเรียกว่าเป็นการกระทำบาปแต่ถ้าเราขับรถไปตามปกติของเราแล้วสุนัขนี้วิ่งออกมากระทันหันมาที่เราหยุดไม่ได้แล้วถึง แล้วชนให้เขาเสียชีวิตไปนี้อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาป mm hmm. เพราะการกระทำบาปนี้ต้องเกิดการมีเจตนาเป็นหลักถ้า mm hmm. ไม่มีเจตนาแล้วไม่เป็นบาป mm hmm. แล้วเราจะไม่ทุกข์เหมือนกับเวลาที่เรามีเจตนา mm hmm. เวลาทำบาปด้วยเจตนานี้ตั้งใจจะทำตอนต้นอาจจะไม่ทุกข์ตอนต้นอาจจะดีใจได้ทำดังสมใจอยาก แต่ต่อมาจะมีความจิตสำนื้มาปรากฏว่าเรานี่เลวร้วายแล้วเกิดนั้นเราทำไมถึงต้องไปทำเขาอย่างนี้ถ้าเขาทำอย่างนี้กับเราบ้างเราจะคิดอย่างไรเ้วก็จะมีความทุกข์กับหัวกับผลที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไปวิบากกรรมวิบากกรรมมีทั้งขณะอยู่ในปัจจุบันถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องคอยหวาดระแวงหวาดกลัวว่าจะต้องคอยถูกจับไปลงโทษหรือไม่อันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปถ้าเราไม่กระทำบาปนี้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ใจเราจะสบายเป็นปกติเหมือนตอนนี้จิตใจของท่านทั้งหลายสบายเพราะตอนนี้ไม่ได้ทำบาปไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้พูดปด ไม่ได้ดื่มสุรายามเมาอันนี้ผลของการรักษาศีลในที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแลนะยังมีผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใ จ, จต่อไปก็คือผู้ที่ทำบาปนี้จะต้องไปเกิดในอบายบาปนี่แหละเป็นผู้ส่งให้จิตใจไปสู่อบายอบายก็มีอยู่สี่สถานด้วยกันสถานที่หนึ่งเรียกว่าเดลฉาน สถานที่สองเรียกว่าเปรตสถานที่สามเรียกว่าสุลกายสถานที่สเรียกว่านรกทำไมถึงมีสี่สถานที่ไปจากการกระทำบาปก็ เ, เหตุที่จะให้ทำบาปนี้ไม่เหมือนกันถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้อันนี้ก็ไปเป็นเดรัจฉานอย่างเดรัจฉานนี้เขาทำบาปโ ด, ย, ดยที่เขาไม่รู้ว่าบาป เดลาชานี่ต้องอยู่ได้ด้วยการกระทบาบาปสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องทำถ้าเขาต้องการที่จะให้ชีวิตเขาอยู่ต่อไปได้เขาก็ต้องมีการกระทบาบาปมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องไม่เป็นไรหรือเป็นเรื่องธรรมดาไป มนุษย์ก็เช่นเดียวกันมนุษย์ถ้าคิดว่าการทำอาชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เป็นสิ่งที่จําเป็น<ม>เพราะต้องเลี้ยงชีพของตอนเอง<ม><ม>ก็เป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนี่เองเห็<ม><ม>นเวลาตายไปเขาก็จะต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าตอนที่ตอนที่มีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าร่างกายของเขาเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเขานี่เป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้ว เขาดำรงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นหลักอันนี้ทําให้เขาต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปถ้าทําบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆาอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตยอยากอะไรต่างๆนี่จะหามาโดยวิธีทําบาปช่อโกงบ้างฆ่าฟันผู้อื่นบ้าง อันนี้ท่านบอกว่าตายไปก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยเพราะว่าการมีความโลภนี้มันไม่ทำให้อิ่มได้เท่าไหร่มันไม่รู้จักพอเวลาตายไปดวงวิญญาณไม่สามารถหาสิ่งต่างๆได้ผ่านทางร่างกายก็จะต้องหิวโหวยอยู่ตลอดเวลาดวงวิญญาณที่หิวโหวยนี่เราเรียกว่าเปรตพวกที่ต้องมาขอส่วนบุญนี่แหละก็คือพวกเปรต เพราะพวกนี้เวลาเขามีชีวิตอยู่เขามักจะไม่ทำบุญทำทานเพราะเขาอยากได้มากๆเมื่อเขาอยากได้เขาก็าไม่อยากจะเสียไม่อยากจะให้เงินคนอื่นอยากจะได้เงินมากๆได้มาก็อยากจะเก็บไว้ก็อยากให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆได้ล้านก็อยากได้สองล้านได้สองล้านก็อยากจะได้สามล้านแต่ความคิดที่จะแบ่งปันไปทำบุญนี่ไม่มี และทั้งๆที่เงินทางที่ได้มามากก็ไม่ได้เอามาใช้เพียงแต่ได้มาเพื่อให้เกิดความรู้สึกดีใจเท่านั้นเองว่าโอ๊ยเรามีเงินมากได<ม>้มีของมากๆ<ม>แต่ถ้าถ้าหามาโดยไม่ได้ทำบาปนี้ก็ไม่ไม่มีผลมไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตเช่นถ้าเรามีความโลภอยากได้ของนั้นของนี้เราหามาด้วยวิธีสุดเจริญนี้ไม่มีโทษตามมา อันนี้สำหรับผู้ที่หามาโดยวิธีทาบาปถึงจะมีโทษนะจะไปเป็นดวงวิญญาณที่หือโหยนะส่วนพวกที่จะไปเป็นอสุ ร, รกายนี้คือพวกที่ทาบาปด้วยความกลัวกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้กลัวสัตว์ชนิดนั้นกลัวสัตว์ชนิดนี้ก็เลยไปทำลายเขาก่อนไปทำลายเขาก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เขามาทำลายเรา พวกนี้ก็จะไปเป็นดว ง, งวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรมพวกนี้ก็จะไปนรกเพราะใจของเขานี้จะรุ่มร้อนตลอดเวลาเวลาที่เรามีโกรธแค้นโกรธเคืองใครเวลาเราอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมนี้เราจะกินไม่ได้นอนไม่หลับ ใจเราจะมีแต่ความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเราไปทำมันก็ยิ่งทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาใหญ่ยิ่งทำเขาก็ยิ่งทำให้ใจเราร้อนขึ้นมากขึ้นอันนี้เวลาตายไปท่านก็บอกว่าจะไปไปอยู่ในนรกคืออยู่ในสภาพของดวงวิญ ญ, ญาณที่มีแต่ไฟของความทุกข์นี้เาผาผลาญจิตใจอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ จนกว่ากำลังของบาปที่ได้ทําไว้นั้นมันหมดลงบาปนี้กับบุญที่เราทํานี้มันเหมือนน้ํามันที่เราเติมในรถยนต์นี้มันจะค่อยๆหมดไปขับรถไปเติมน้ํามันเต็มถังขับไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งเดี๋ยวน้ํามันก็หมดเองอืมฉันใดบุญหรือ บ, บาปที่เราทําไวน้นี้หลังจากที่เขาได้ส่งผลแล้วมันก็จะหมดไป ทำบุญไปเป็นเทวดาเดี๋ยวบุญที่ส่งให้ไปเป็นเทวดาหมดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าทำบาปแล้วถูกส่งให้ไปเกิดในอบายพอบาปที่ส่งไปหมดกําลังก็จะปล่อยให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่พวกที่มาจากข้างบนกับมาจากข้างล่างนี้จะมามาเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน พวกที่เกิดที่มาจากข้างบนนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารมีส่วนพวกที่มาเกิดจากข้างล่างจากอบายมาเป็นมนุษย์นี้จะเป็นพวกที่อาภัพวาสนาบารมีเช่นอย่างไรที่เรียกว่าผลของวาสนาบารมีถ้าลงมาจากสวรรค์นี้ก็จะเป็นมาเกิดร่ำรวยมีความสวยความงามมีรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณผ่องใสงดงามมีอาการครบส2ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมีอายุยืนยาวนาน ม, มีสติปัญญาที่ดีเป็นต้นส่วนพวกที่มาจากข้างล่างนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมาแล้วมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามอาการส2ไม่ครบมีโรคภัยเบียดเบียนมีอายุสั้นเป็นต้นนี่คือผลที่ จะได้รับจากการไปทำบาปหรือไปทำบุญแล้วแต่กรณี<ม>พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำบาป<ม>ให้ทำบุญแต่อย่าไปทำบาป<ม>ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมที่สูงกว่า น, นั้นอย่างน้อยก็ป้องกันไม่ให้เราไปเกิดนิรบายทุกครั้งที่เราตายไปเราก็จะไปเกิดในสวรรค์ ถ้าเราสร้างบารมีสามัญ น, นี้ได้คือเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีถ้าเราจะต้องการที่จะไปสูงกว่านั้นจิตเรานี้ยังสามารถพัฒนาให้ขึ้นไปสูงกว่าระดับของเทวดาได้คือมีระดับของพรหมกับระดับของพระอริยเจ้าอีกสองระดับที่จิตใจของเรานี้สามารถที่จะยกระดับขึ้นไปได้ ถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่าระดับเทวดาเราก็ต้องมาสร้างบุญบา ร, รมีข้อที่สี่ก็คือเนคขมมะบารมีเนคขมมะบารมีก็คือการละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคือมาบวชถือศีลแปดกันนั่นเองเวลาเราไปอยู่วัดไปถือศีลแปนี้เราเรียกว่าบวชเนคขมมะเนขมมะนี้เป็นคำบาลีแปลว่าการออกจากความสุข การละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเช่นศีลข้อสของข้อหแล้วก็เปลี่ยนเป็นจากจา ก, การเมสุมิชชาจาราเวามณีการประพฤติผิดประเพณีมาเป็นอ布 ร, รมจรลิยาเวรามณีถ้าถือศีลหศีลข้อ 3, สอ 3, นี้ยังเสกกรมได้ยังร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนได้ แต่พอมาถือศีลแปนี้ศีลข้อสามก็จะเปลี่ยนเป็นอ布拉มจาริยาเวรามณีคือจะละเว้นจากการร่วมหลับนอนกันถึงแม้จะเป็นสามีภรรยากันถ้าถือศีลแปก็ต้องแยกห้องนอนกันไม่อยู่ใกล้ชิดกันเพราะมันเหมือนกับน้ํามันกับไฟถ้าอยู่ใกล้เดี๋ยวมันมีโอกาสลุกขึ้นมาได้ง่ายเขามักจะเก็บไฟกับน้ํามันไว้คนละที่กันถ้าอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเกิดมีการผิดพลาดมันก็จะลุกขึ้นมาได้ ถ้านอนด้วยกันเดี๋ยวเกิดไปแตะเนื้อต้องตัวกันเดี๋ยวไฟแห่งกามอารมณ์ก็จะลุกขึ้นมาได้ก็เลยต้องแยกห้องนอนกันถ้าเป็นสามีภรรยากันแล้วอยากจะถือสินแี่คือการงดการหาความสุขจากการเสพกามคือเนคัมมะมรมนีแล้วก็เพิ่มสินข้อหคือการรับประทานอาหารไม่มากเกินไป ไม่ได้รับประทานเพื่อหาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเหมือนกับเติมเติมยาให้กับร่างกายร่างกายนี้ต้องมียาคอยดูแลรักษาอาหารนี่ก็เป็นยาชนิดหนึ่งที่เราต้องเติมแต่เราไม่ต้องเติมแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเราเติมเพียงวันละครั้งสองครั้งก็พอก็ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วสาหรับเรื่องการรับประทานอาหาร คือไม่ให้หาความสุขจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารนั่นเองแล้วก็ให้ถือศีลข้อเจ็ดคือไม่ให้หาความสุขจากมหัศลศพบันเทิงต่างๆไม่ไปเที่ยวที่นั่นไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงไปโรงละครหลงภาพยนตร์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเราต้องการที่จะปิดตาหูจมูกรินกายของเราเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการที่จะไปเจริญ ปุเบขาบารมีที่ที่จะให้ความสุขกับเราและจะยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ระดับของพรห ม, มโลกได้<ม>คือเราต้องไปปฏิบัติจิตตภาวนาขั้นสมถภาวนา<ม> อันนี้ก็เป็นบารมีข้อที่ต่อไปนั้นถ้าเราถือในขข ม, มะบารมีแล้วเรามากักจะไปปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปในคข ม, มะบารมีแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิถ้าเรามีสติคอยควบคุมจิตใจตลอดเวลาจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ เพราะถ้าเราไม่มีสติจิตใจของเราก็จะไม่หยุดคิดจะคิดไปเรื่อยๆตั้งแต่เช้ามาเนี่ยญาติโยมเคหยุดคิดด้ยังยังไม่ได้หยุดคิดเรื่องนั้นแล้วก็ไปคิดเรื่องนี้ต่อคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องโน้นคิดไปคิดมาวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเพราะเราไม่มีสติหยุดความคิดเพราะเราไม่รู้ไม่เห็นความสำคัญของการหยุดความคิดว่ามีคุณมีประโยชน์กับจิตใจของเราอย่างไรนั่นเอง แต่สำหรับผู้ที่ได้ค้นพบประโยชน์ของการหยุดความคิดแล้วนี้จะเห็นความสำคัญของสติเพราะถ้าเราหยุดความคิดได้จิตก็เราจะสงบแล้วเราจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่ได้จากราบยกสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เมื่อมาเทียบกับความสุขที่เราจะได้จากการทาใจให้สงบนี้เป็นคนละโลกเลย พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตสันติบาลังสุขขังสุขเอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีการที่เราจะสามารถเข้าสู่ความสงบนี้ได้เราต้องเจริญสติกันสตินี้ก็คือการใช้กรรมฐานอารมณ์คาว่ากรรมฐานก็คืออารมณ์ที่จะมาหยุดความคิดต่างๆให้จิตเข้าสู่ความสงบกรรมฐานนี้มีสี่สิทธชนิดด้วยกัน แต่ที่เวลาเราใช้จริงๆเราใช้เพียงชนิดสองชนิดก็พอเช่นเวลาที่เราเดินจงกรมนี่เราก็ใช้พุทโธพุทโธก็ได้หรือใช้การดูเท้าเดินก็ได้ว่าเรากำลังก้าวกำลังวางก้ไม่ต้องดูขนาดนั้นก็ได้ให้ดูว่าเรากำลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าวขวาก็พอเป้าหมายก็คือไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเอง กำลังคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อยู่พอต้องมาดูเท้าเ่อเรากําลังก้าวเท้าซ้ายเท้าวขวาเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ได้พอ <Yeah. S 1> ไม่คิดเดี๋ยวเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องคนนั้นคนนี้ก็จะหายไป <Yeah. S 1> อารมณ์วุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไป yeah. <Yeah. S 1> นี่คือประโยชน์ของการมีสติมีไว้เพื่อหยุดความคิดน yeah. <Yeah. S 1> แล้วถ้าต้องการจิตให้สงบให้เป็นอุเบกขา ก็ต้องมานั่งสมาธิการเดินนี้ไม่สามารถทำจิตให้เข้าสมาธิได้ถ้าต้องการให้จิตเข้าสมาธิได้นี้ต้องมานั่งสมาธิกันอย่างชาติโยมตอนนี้นั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยการฟังธรรมนี้ก็สามารถทาจิตให้เข้าสู่สมาธิได้ถ้ามีสติอยู่กับการฟังแล้วก็หยุดความคิดต่างๆได้ จิต ก, ก็จะเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่สมาธิได้เหมือนกันถ้าไม่ได้ฟังธรรมเราก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้ถ้าเรามีการดูลมอย่างต่อเ น, นื่องใจก็จะค่อยๆสงบค่อยสงบลงไปจนกระทั่งในที่สุดก็จะนิ่งเหมือนกับรถยนต์ที่จอดจอดนิ่งสนิทพอใจจอดนิ่งสนิทแล้วใจก็จะเบาจะสบาย ความเป็นกลางของใจก็จะปรากฏขึ้นมาคืออุเบกขาใจจะปราศจากอารมณ์รักชังกลัวหลงในขณะนั้นถ้ายังได้ยินเสียงก็ไม่ลำคาญถ้าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่รู้สึกลำคาญแต่อย่างใดรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนอันนี้เป็นประโยชน์ของการฝึกสมาธิจะทำให้ใจเรามั่นคงไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์กับอะไรต่างๆได้ง่าย แต่ยังไม่สามารถที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรเพราะว่าการได้อารมณ์แบบนี้เป็นได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวได้ในขณะที่เราทำสมาธิหรือหลังจากที่ออกมาจากสมาธิใหม่ๆแต่สักพักหนึ่งต่อไปมันก็จะจางหายไปได้ถ้าเราได้สมาธิแล้วเราเวลาถ้าเรา ถ้าเรายังไปไม่ถึงขั้นที่สูงกว่า น, นี้ตายไปเราก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมโลกนี <Yeah. S 1> ถ้าได้รูปประชานก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นรูปประพรมถ้าถ้าได้อรูปประชานก็จะไปเกิดบนสวรรค์ของอรูปประรม <Yeah. S 1> แต่สวรรค์ทั้งสองระดับนี้ก็ยังเสื่อมได้ <Yeah. S 1> ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปได้ <Yeah. S 1> ยังไม่ได้หยุดยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ <Yeah. S 1> ถ้าอยากจะ ให้จิตดูดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้จําเป็นที่จะต้องสร้างบา ร, รมีข้อที่หคือปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีคือคือเห็นสัจธรรมความจริงที่ท่านบอกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นนิรันร์ที่เรียกเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจงเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อม เห็นอนัตตาเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้ไปสั่งให้เขาไม่เสื่อมไม่ได้ไปสั่งให้เขาไม่ดับไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่เขาจะเสื่อมเขาก็เสื่อมเวลาที่เขาจะดับก็ดับเขาเป็นอนัตตาเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนลมพัดอย่างนี้เราไปสั่งลมไม่ได้สั่งลมให้หยุดพัดหรือสั่งลมให้พัดไม่ได้ไม่เหมือนกับเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศเราสั่งได้แต่แม้แต่เครื่องปรับอากาศถึงเวลามันก็ไม่ยอมให้เราสั่งก็มีเวลาไฟดับลองไปกดปมดูเลยเวลาไม่มีไฟฟ้ากดยังไงมันก็ไม่ติดเดี๋วเวลามันเสียมันก็เหมือนกันดังนั้นทุกอย่างเราต้องมองให้เห็นว่ามันมีมันต้องมีวันยุติลงอ่ะคือมันไม่สามารถที่จะเป็นไปแบบที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ไปได้ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมีการเจริญมีการ ต้องแล้วต้องมีการเสื่อมตามมาต่อไปถ้าไม่อยากจะทุกกับสิ่งเหล่านี้ก็อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอาศัยสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเราให้เราอยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าเพราะความว่างกับความสงบนี้จะไม่มีวันจากเราไปจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเราอยู่กับความว่างได้เราก็ไม่ต้องมีอะไรเมื่อเราไม่มีอะไรเราก็ไม่ต้องทุกกับสิ่งที่เรามี เพราะความทุกข์มันไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งที่เรามีมีเงินก็ต้องทุกข์กับเงินมีบ้านก็ต้องทุกข์กับบ้านมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีเพราะมันจะหมดนั่นเองมันไม่เที่ยงเวลามีมันก็ดีแต่เวลามันมันหมดมันก็ทําให้เราทุกข์ได้แต่ถ้าเราอยู่กับความว่างได้นี้มันไม่มีวันหมดอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวเดียวดายนี้ไม่ต้องมีอะไรแต่ใจเราสงบใจเราไม่หิวไม่มีความอยากเพราะเราตัด ความอยากตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราได้ด้วยการมีปัญญาการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถไปสั่งให้มันเที่ยงได้อันนี้คือปัญญามีดวงตาเห็นธรรมอันนี้เราต้องหมั่นพิจารณาอยู่เน่างเรียสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เราลดละความพึ่งพาอาศัยในสิ่งต่างๆให้น้อยลงไปน้อยลงไปตามลาดับ เพราะความจริงแล้วเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีความสุขทางตาหูจมูกมือกายแล้วเรากลับจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเราไม่ต้องไปดูที่ไหนดูพระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีประาทสามฤ ด, ดูมีความสุข จากทุกสิ่งทุกอย่างที่กรรษัตริย์สามารถที่จะสรรหามาได้แต่พระองค์ก็มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งเหล่านี้จึงรู้ว่าถ้าเกิดเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นร่างกายของท่านก็ต้องแก่ต้องเจ็บลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะต้องตายเมือ่อถึงเวลานั้นแล้วการที่จะหาความสุขจากลาบยศรสรรเสริญจากรูปเสียงติ่นรสก็เป็นไปไม่ได้ เราองค์ก็เลยตัดสินพระไทยไปหาวิธีใหม่ดีกว่าวิธีหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้มันมีความทุกข์เสมอเพราะมันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันหมดมีมีวันเปลี่ยนแปลงมีวันเสื่อมก็ลเลยไปหาวิธีใหม่ด้วยการปฏิบัติตามตามบา ร, รมีต่างๆพอได้ถึงขั้นปัญญาบา ร, รมีก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความ ที่เราจะไม่ทุกข์กับอะไรนั้นก็คือการที่เราต้องไม่มีมันนั่นเองถ้าเรามีมันเดี๋ยวเราก็ต้องทุกข์กับมันและการที่เราจะไม่มีมันได้เราต้องมีสติมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนให้เรายืนหยัดอยู่ตามลำพังของเราได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีอุเบกขาแล้วเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมีความสุขระดับพระนิพพานได้เลยถ้าเราสามารถใช้ปัญญา ขัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้เราไม่มีความอยากในใจแ ล, แล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบไปตลอดไม่มีวันสึ่นสุดนี่คือบุญบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราให้หมั่นคอยเติมกันอยู่เรื่อยๆเพราะจะเป็นประโยชน์สุขกับจิตใจทำให้ทำให้จิตใจได้เข้าสู่ ถึงความสุขระดับต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดและกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรก็อขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิตพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขและการสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทิคาโยโกภวะ อาพิวาทนสีลิปสนิจังวุธาปจายโนจตารธร ม, มาวะทันติอายุวันุสุขังภาลา่าช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถาม อยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่ของดถามหลังจากที่เราแลกประชุมแล้วก็วไม่สะดวกอันนี้เสียงกล้องเลยนะผู้จัดจา ก, การเสียงมาดูแลเรื่องเสียงหน่อยมัไปดูแลเรื่องหมาเถอเสียงมันกล้องตรงนี้เสียงมันเบาไปไหน่อยมั้งอไม่ได้เปิดนะ ฮัลโหาใครอยากจะถามถามได้เนะมาพูดเดงก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่ต้องมาตอนนี้เนะหลังจากเลิกแล้วก็ของรถวันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ไหนว่าผู้ติดตามทางบ้านใหม่ทีมันก็ดีนินเมื่อกี้ จาก Facebook 370, YouTube 2ิ2ทิวิยุออนไลน์ 9, ผู้รับฟังหน้ากุฏิ192รวม783ท่านค่ ะ, <Okay. S 2> คะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้จากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะมีสองคำถามนะคะท่านแรกทนดังหนยดังมาได้ไหมเคยได้ยินเวลาใส่บาทพระห้ามใส่เงินเพราะอาบัต หรือไม่อย่างไรคะเือไม่ให้ถวายเงินกับพระดโดยตรงถ้าอยากจะถวายเงินต้องฝากลูกศิษย์ไว้พระรับกับมือไม่ได้คำถามที่สอง <c oughs> คนที่ผิดศีลข้อสี่การพูดจาว่าร้ายการพูดเท็จมีผลต่อตัวเขาทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่างไรคะ ก็ทำให้เขาเสียเครดิตเป็นคนที่คนไม่มีใครเขาจะเชื่อถือพอรู้ว่าเป็นคนโกหกนะตอบอะไรพูดอะไรก็ไม่มีใครไม่มีใครเชื่อจะติดเป็นนิสัยไปเคยโกหกชาตินี้เดี๋ยวชาติหน้าก็ไปโกหกต่อจุดผู้รับฟังหน้ากุฏิคะ่ะถ้าการที่เราทําบุญทําทานแล้วเราไม่ได้แผ่เมตตาแบบนี้จะได้บุญไหมคะไม่ได้เลยนะ ไม่ได้แผ่เมตตาแบบนี้จะได้บุญไหมคะแผ่เมตตาก็เรื่องแผ่เมตตาทําบุญก็เรื่องทําบุญคนละอย่างกันแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันอย่างตอนเนี้อย่าไปทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ถ้าไปทะเลาะกันก็แสดงว่าไม่มีไม่ได้แผ่เมตตาไปโกรธเขาแผ่เมตตาก็คือเป็นเมตกันให้ความสุขต่อกันคุณสุกัม马拉 จิตผู้รู้เป็นเจตสิกในในขันห้าหรือเป็นจิตเดิมแท้ที่ยังไม่หมดอวิชชาทิตฐิภูตังที่เป็นต้นจิตค่อเป็นจิตตัวรู้เนี่แหละตัวรู้แต่ยังมีกิเลสครอบงําอยู่ตัวรู้นี้ไม่ใช่ขันไม่ใช่นามาขันไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณขันวิญญาณเป็นตัวรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะแล้วตัวรู้รู้อีกทีหนึ่งรู้ว่ามีรูปเสียงกลิ่นรสผพทพะเข้ามาในใจเป็นคนละตัวกันวิญญาณตัวรู้ในในขันในนามขันกับตัวรู้นี่เป็นคนละตัวกัน ผ, ผู้ไม่ประสงค์ออกนามการที่เราโอนเงินบริจาคให้วัดและอธิษฐานขอถวายเป็นสังฆทานแบบนี้ถือว่าเราได้ทําบุญสังฆทานหรือไม่ครับก็อยู่ที่ทางวัดเขาจะนำมาไปใช้ทางไหนถ้าไปใช้เป็นส่วนกลางก็เป็นสังฆทานถ้าไปใช้เป็นส่วนตัวก็เป็นบุคลิกทานไปคุณจินตนา อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาของพระอริยเจ้าว่าท่านมีภูมิธรรมและวิธีปฏิบัติธรรมเช่นไรมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเจ้าคะท่านมีความเพียรท่านมีความขยันจเจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาธรรมอยู่เรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นจากศีลธรรมดาสมาธิธรรมดาปัญญาธรรมดาไปเป็นอธิศีอธิสมาธิอ ธ, อธิปัญญาไป คุณสุรศักดิ์เมื่อคืนผมนั่งสมาธิหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทสติกับคําบริกรรมจ้องอยู่ในความรู้ที่ปลายจมูกอย่างนี้ถูกต้องไหมครับผมนั่งได้หนึ่งชั่วโมง24นาทีครับแต่จิตผมก็ยังไม่เป็นสมาธิครับขอกราบขอคําแนะนําด้วยครับแสดงว่าสติเราคงยับเผิมปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้มันก็เลยไม่สงบ ถ้าไม่ไม่เผลอสตินั่งจริงๆห้านาทีสิบนาทีมันก็สงบได้ถ้าไม่ไปคิดเรื่องอื่นเลยให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวจะคุณแม่มดอาหารทิพต อ, อาหารที่เราใส่บาตหรือบุญที่เราทํานี้เป็นอย่างไรขอความเข้าใจโดยละเอียดเจ้าค่ะอาหารที่ใส่บาตเป็นอาหารหยาบเป็นอาหารสําหรับร่างกายร่างกายหยาบ ส่วนอาหารทิพย์คือบุญคือความสุขใจอย น, นี้เป็นความอิ่มใจพอทําบุญแล้วเราคนให้ก็ให้อาหารกายไปกับผู้รับซึ่งเป็นพระหรือใครก็ได้ส่วนผู้ให้ก็ได้อาหารทิพย์ขึ้นมาคือบุญคือความสุขใจอิ่มใจ คุณน้ำฝนเราทำงานเราถือสิล8แปดได้หรือไม่เจ้าคะเราปฏิบัติตามสีลได้แต่เราไม่ปฏิบัตินั่งสมาธิถือว่าได้สิล8แปดโดยสมบูรณ์หรือไม่เจ้าคะถ้ารักษาได้ก็ดีมันอาจจะยากตรงท่านนีเพราะว่าเช่นไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วนี่ถ้าเกิดถึงเวลารับ พ, พักเที่ยงกินอาหารมันก็เลยเที่ยงวันมันก็กินอาหารไม่ได้ นอกจากเราปรับเวลาหน่อยเปลี่ยนนาฬิกาของเราให้มันเดินช้าลงหน่อยสักชั่วโมงอ <laughs> พอเวลาเที่ยงนาฬิกาเรายังบอกสิบเอ็ดโมงอยู่ก็ <laughs> ยังกินได้อยู่ย <laughs> แต่ก็เพื่อเพื่อกินมื้อเดียวมื้อสองมื้อไม่เกินไม่ไม่เกินหลังจากนั้นก็โอเคเพราะบางทีทำงานเขาเลิกเที่ยงตรงใช่ไหมถึงจะไปกินอาหารได้ ถ้าจะถือถือสินข้อนี้ก็เล่นไปชั่วโมงก็ไม่เป็นไรหรอกได้ดีกว่าไม่ถือเลยคุณพุทธเจการเข้าสมาธิแล้วจะเห็นภาพขาวดำต่างๆบางทีก็รู้แล้ววางเฉยไปบางทีตกใจจนสมาธิถอนกำลังออกอยากทราบกระบวนการหรือวิธีแก้ไขใจที่บอกบานช่นนี้ครับพ อ, อยังไม่เป็นสมาธิติดเพียงแต่นั่งเฉย พ้อไพอไมีเห็นอะไรก็ควรจะกลับมาหาที่อารมณ์ที่เราใช้ใช้พุทธโธก็กลับมาหาพุทธโธใช้ลมหายใจก็กลับมาดูลมอย่าไปดูสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาคุณปรางษาการพิจรารณาอสุภะ เพอเอินเดินทางแล้วพบอุบัติเหตุพบคนตายหรือคนเจ็บจากที่พิจารณาความไม่เที่ยงกลับเป็นความสงสารและหดหู่แทนขอความเมตตาพระอาจารย์สอนวิธีการพิจารณาด้วยเจ้าค่ะอ๋อคือการจะพิจารณาทางปัญญาได้นี้จิตใจต้องเข้มแข็งในระดับหนึ่งก่อนถ้ายังไม่เข้มแข็งก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาเพราะจะเกิดเกิดอารมณ์เศร้าหมองเกิดอารมณ์หวั่นไหวได้ ต่อความเป็นจริงถึงต้องฝึกสมาธิกันก่อนฝึกสติให้จิตใจพอมีเอเบขาพรวางเฉยได้พอจิตวางเฉยได้ทีนี้ก็ดูความจริงต่างๆได้ความจริงที่เราไม่อยากจะดูกันเช่นความตายเช่นอาการอาการสสองของร่างกายเป็นต้นถ้าจิตใจเรายังไม่เข้มแข็งก็อย่าเพิ่งไปดูดูแล้วทาให้จิตใจทุกข์ก็ ไม่เกิดประโยชน์ในการที่จะไปดูอาการเหล่านี้คุณกุณสาวดีการฟังธรรมะอยู่ที่บ้านโดยการดูไลฟ์สดกับการมาฟังที่วัดอันไหนดีกว่ากันเจ้าค้านในการเจริญในธรรมค่ ะ, ะคุณฟังคุณก็ต้องก็ต้องเป็นคนรู้เลว่าที่ไหนดีกว่ากันเราเป็นคนพูดเราอยู่ตรงนี้เราจะไม่รู้หรือที่บ้านเป็นยังไงนะ คนเราเปรียบเทียบดูสิฮะฟังที่บ้านเป็นอย่างนี้มาฟังที่นี่เป็นอย่างนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันทำไมคนหิ้วทั้งนั่งมาที่นี่กันทั้งนั่งที่สามารถฟังได้ที่บ้านถามคนนี้เขามาที่นี่เลยเขาว่าไม่เหมือนกันก็บรรยากาศมันไม่เหมือนกันเพราะที่บ้านอาจจะไม่มีความวิเวกไม่มีความสงบเหมือนกับที่วัดที่แสดงธรรมแต่เราเองก็เหมือนกันถ้าให้ไปแสดงธรรมที่มัน มันมีคนพุกผ่านสิ่งกระทึกกระกครืโครมนี้ก็ธรรมะก็เทศไม่ค่อยออกเหมือนกันแต่ถ้ามันอยู่ที่ที่เงียบเงียบที่สงบนี่ธรรมะมันจะไหลออกมาเป็นธรรมชาติของธรรมคุณนิชานันการปฏิบัติดูแลตอบแทนพระคุณพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กด้วยจิตสำนึกที่เกิดขึ้นเพราะเห็นพ่อแม่ลำบากจนถึงทุกวันนี้ ตอนเป็นเด็กครอบครัวยากจนจึงทำให้พ่อแม่ไม่ค่อยได้พาไปทำบุญเพราะต้องช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงชีพจึงเน้นการดูแลพ่อแม่อย่างเดียวแต่พอโตมามีครอบครัวสามีชวนเข้าวัดทำบุญตลอด7จเจ็ดแปดปีที่ผ่านมานี้การถือศีลฟังธรรมมีทำบ้างตามโอกาสอยากทราบว่า บุญที่ได้จากการดูแลบุพการีจะชดเชยบุญที่ควรกระทำในช่วงเวลาที่หายไปเมื่อตอนยังไม่ค่อยได้ทำบุญหรือเปล่าเจ้าขาขอพระอาจารย์โปรดชี้แนะด้วยค่ะมันไม่ชดเชยมันเพียงแต่ว่ามันมันก็ตอนที่ไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้พอมาทำมันก็ได้เหมือนกับฝากเงินในธนาคารคอยฝากทุกวันแล้วมาหยุดฝากยอดมันก็ไม่ขึ้นตอนกลับมาฝากใหม่ยอดมันก็ขึ้นคุณหมอจะถามปัญหาเดี๋ยว จะส่งไปไปให้คุณมอเลยจะกลับเรียนถามอาจารย์ที่ท่านเทศเกี่ยวบเรื่องของบารมี เรื่องของขอุเบกขาบามีปัญญาตรงนี้แล้วก็มีเรื่องของสุดท้ายก็คือไปอยู่โดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไรคือความว่างาโดยมีศีลปัญญาแต่มันต้องผ่านในตัวสมาธิเพื่ออยู่อะครับมใชถ้า อ, อยู่แบบถ้าไม่ได้สมาธิมันก็คงไม่มีคำว่ามันก็อยู่ไม่ได้ถ้ามไม่มีสมาธิมันก็ต้องไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสแต่พอมีสมาธิมันก็ตัดได้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ยังไม่ตัด เวลาออกจากสมาธิมามันก็ยังอดที่จะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่ไม่ได้ครับั้นเวลามันจะกลับไปก็เช่าปัญญามาสอนว่ากลับไปหาทุกข์กลับไปหาความสุขชั่วคราวคตัวตัดมันไปเลยเดี๋ยวกลับมาอยู่กับความว่างดีกว่ากับความไม่มีอะไรคมันก็จะตัดความอยากที่อยากจะไปหาความสุขจากสิ่งอื่นได้หมดพอความอยากนี้ถูกตัดไปหมดตัวที่มาทําให้ใจหิวก็หายไปตัวที่ทําให้ใจทุกข์ก็หายไป ก็จะเหลือแต่ความสุขตลอดเวลาเราไม่ต้องมีความอยากกับอะไรเนี่ย อ, อันนั้นมันปฏิบัติไปแล้วมันก็จะเข้าใจขัอนต้นเราก็อาศัยสมาธิมา มาทดแทนความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสไอแต่สมาธิมันอยู่แต่อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวครออยากสมาธิมาเดี๋ยวก็อดไม่ได้เดี๋ยวก็อยากจะไปดูหนังอยากจะไปกินไปดื่มอะไรเหมือนที่เคยครานนั้นก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปแา่ว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดไปแล้วก็ติดติดแล้วก็ต้องเวลาไม่มีก็จะทุกข์มันตัดไ ป, ดไปก็เลิกเสพไปเหมือนคนที่เลิกติดยาเสพติดนี คนที่เลิกติดยาเสพติดเขาก็อยู่ได้ใช่ไหมนั่นแหละคนที่เริกติดรูปเสียงกลิ่นนั่นก็อยู่ได้แต่สมาธิตัดไม่ได้เลือกไม่ได้ไม่ไม่มีกําลังที่จะตัดความอยากที่กลับไปเสพรูปเสียงกลิ่นมันต้องใช้ปัญญาคือเห็นว่ามันเป็นไตายนะแต่ก็ต้องมีกําลังสมาธิที่จะมันก็จะไม่ความอยากมันลดลงมันก็จะได้อยู่กับมันก็จะไอยู่กับสมาธิไปได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิ เพราะจิตมันไม่มีความอยากแล้วมันก็เป็นสมาธิโดยอัตโนมัติตรงที่อยากนี่น่าจะเป็นแ้นไม้ได้ขนาดทําไปเดี๋ยวก็ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆตอนนี้เอาสมาธิให้แน่นก่อนต่อไปก็พิจารณาไตจลักษอยู่เรื่อยๆรับก็อยากจะไปหาความสุขจากมื้เสียงเงียบแล้วก็บอกว่ามันเป็นทุกข์นะมีความสุขชั่วคราวเดี๋ยวเวลาไม่ได้ไปหามันก็จะทําให้เราทุกข์ได้ครับ ถ้าเข้าสมาธิมันก็เข้าเป็นพักๆเวลาเข้าก็สุกแต่เวลาออกมามันก็มันก็หิวอีกนะถ้าเรายังไม่ไตัดความอยากคต้องตัดความอยากด้วยด้วยปัญญาแม้แต่เราไปตัดความอยากจากรูปเสียงกลิ่นแล้วเราก็จะมาติดสมาธิเราก็ต้องมาตัาดความอยากนี้ก็ติดความในสมาธิอีกด้วยสมาธิก็ไม่ต้องเข้าค <cả S 2> อยู่แบบนี้อยู่แบบไม่มีสมาธิก็ได้ครับ สมาธิมันก็ยังเป็นเหมือนยาเสพติดอยู่ก็อยู่แบบคนที่ไม่มีความอยากเลยคนจิตจิตที่ไม่มีความอยากอะไรก็เป็นจิต ท, ที่นิพพานจิต ท, ที่อิ่มที่พอที่มีความสุขในตัวของมันเองตรงที่ทําให้หิวก็คือความอยากนี่ครับใช่ไหม พอเราอยากก็ขิวใช่วหมอยากจะได้เนี่ยอยากได้เนี่ยแตตอนที่เราไม่อยากเนี่ยเราก็สบายสบายไม่เดือดร้อนอะไรัทําให้ใจมันไม่มีความอยากตลอดเวลาเราจะสบายไปตลอดเวลาครับตอนนี้ก็เป็นอวิชชาใช่ไหมต้องใช้ปัญญามาแก้อวิชชาอวิชชาไม่รู้เราไม่รู้ว่าความความความความทุกข์ไปอยู่ที่ความอยากในสิ่งต่างๆนี่ครับ เราตัดความอยากในสิ่งต่างๆได้ความทุกขนั้นก็หายไปครับนี่ก็เหลือแต่ความสุขเองเดียวครับจะพักที่ท่านปฏิบัติถึงนั่นก็ยังต้องมีสมาธิก็ยังนั่งจะพักก า, ายครับเพรา ะ, ระท่าน<ร>ะจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ครับเพราะว่าท่านจิตของท่านไม่ได้วุ่นวา ย, ยครับ ที่วุ่นวายเพราะความอยากเขาไม่มีความอยากแล้วก็ไม่มีอะไรมาทําให้จิตวุ่นวายแต่ถ้าท่านต้องการจะพักจิตก็ได้พักความคิดท่านก็เข้าไปในสมาธิได้ถึงแม้ว่าความคิดนี้จะเป็นความคิดทางธรรมมันก็ทําให้เหนื่อยได้เช่นแสดงธรรมอะไรอยู่เนี่ยมันก็ต้องใช้ความคิดแสดงแต่มันไม่ได้คิดไปตามความอยากมันไม่มีความทุกข์แต่คิดแล้วมันก็เหนื่อยก็บางทีมันคิดแล้วมันอาจจะติดพันคิดต่อไปก็ต้องหยุดมันด้วยสมาธิ แต่ไม่ได้เป็นกิเลสแต่อย่างใดคิดทางธรรมอยู่กับความว่างควาคิดว่างจากความคิดนะว่างความคิดว่างความอยากใจก็สบายขอบคุณครับแล้วนวันนี้พอดีหมดเวลาเวลาเกินมาห้านาทีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ